สบายใจแล้วก็ถึอยังไงหลวงตาเนี่ยมอบให้ลูกหลานเนะเป็นคนดีเนะ่ตั้งใจเรียนหนังสือนะั้นลูกหลานเนะ่แต่หลวงตาเนี่ยเมือ่อเกยเนี่ยก็มีพระเมื่อวานน่ลพระราสิกขาไปสององค์ที่พระนว ก, กะ ท, ที่เรียนจบแล้วยังไม่ได้ทำงานอะไรมาบวชก่อนพ่อให้มาบวชพ่อนี่เป็นรอง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 เพราะนั้นการดื่มสุราที่ให้มึนเมาไม่เป็นผลดีนะลูกหลานนะอันนี้หลวงพ่อโดยมากหลว ง, งตาจะให้แนวความคิดสําหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาในวัดของหลวงตานะวัในให้ลูกหลานได้ฟังฟังเอาไว้นะลูกหลานนะสิ่งที่เป็นยาเสพติดทั้งหลายจะเป็นยาเสพติดก็าตามจะเป็นสุราก็าตามเป็นของที่ไม่ดีทั้งนั้น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 แหมหมู่พวกเพื่อนทําให้เราเสียหายได้ง่ายอย่างเมื่อไม่นานเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยพ่อแม่ก็วิ่งโล่เข้ามาหาผมพ่อหลวงพ่อช่วยลูกผมด้วยเถินเรื่องอะไรเพราะว่ามีเพื่อนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มามาตํารวจก็เลยตรวจตรวจก็เพื่อนคนนั้นก็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 กลัวมันจะแปะเปืือนมาหาหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อไม่รู้อีกเหมือนกันว่าเป็นเครือข่ายยังไงพราะนั่นอย่าให้หลวงพ่อเขาไปยุ่งนะลูกหลานนะอย่ามาขอเลยมาไม่อยอมาหาหลวงพ่อเลยหลวงพ่อกลัวพูดได้เลยว่ากลัวอพอมันไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนนี่แหละอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทั้งนั้นให้ลูกหลานฟังทางนี้ทางนั้นก็ให้สังเกตในหมู่เพื่อนเดียวกัน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 แล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ลูกหลานเรียนเน้นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าพวกเราจะเข้าประชาคมอาเซียนอีกไม่นานไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าปีห้าแปีนี้กับปีห้าเดแล้วเนี่ยอีกปีสองปีข้างหน้าพวกเราก็คงจะเข้าประชาคมอาเซียนเรื่องภาษาในจําเป็นสําคัญนะลูกหลานนะ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 ต่างประเทศได้ชาวต่างประเทศได้บริษัททางร้านเขาติดตอ่อได้แต่เราเป็นคนงานเก่งมีฝีมือแต่ภาษาของเราด้อยเราก็ต้องเป็นลูกน้องของลาวเขเมรแล้ินลูกน้องของเวียดนามเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ภาษาเราไม่เก่งภาษ า, เ, าเมื่อเขาติดตอ่อเจ้านายเมืองนอกมาอย่างไรเราก็ต้องรับ กินน้ำไหลสอกของเขาหนะ่อยน้ำย่อยสอกอภาษาบา้านเฮาน่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้เรื่องอภาษาเนี่ยให้ลูกหลานใส่ใจสักหน่อยหลวงพ่อว่านะ่ะอย่าไปเล่นกงเล่นเกมจ น, นเกินไป อ, อย่าไปติดกงติดเกมจนเป็นอันนั้นเกมก็ใช่ก็เป็นส่วนหนึ่งให้เป็นการลับสมอง ให้พวกเราได้คิดแต่ถ้ามันเกินไปเนะ่ยมันเกินไปนะถ้ามันเกินไปให้รู้จักว่าข้าเนี่ยเกินไปหรือเปล่าข้าเล่นเกมเกินไปหรือเนี่ยเนยเอ่อข้าควรจะถอยเนะี่เออควรจะเรียนภาษาเอ่อเรียนวิชาอันไหนที่เราควรจะรู้เออเราควรจะศึกษาและก็พร้อมกันพวกสื่อต่างๆหนังสือพิมพ์บ้างวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ตาม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 แต่ตามไม่จริงครูบาอาจารย์ก็น่าจะใส่ใจอีกเหมือนกันเออวันนี้เป็นวันสุขเออเราทุกโรงเรียนทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษพูดผิดพูดถูกก็ไม่เป็นไรต่อไปมันจะพูดถูกเองจะโม้นักเรียนก็เหมือนกันแต่จะโม้ว่าภาษาอังกฤษของเราเนี่ยมันอ่อนเราไปไปดูดูใน ดิกช i น n ารีของเรานะี่ยเราก็จดเลยคำนี้ศั์นี้ศัพที่มันยากๆปากปกาเมจิกเขียนใส่กระดาษ a อซีเขียนใส่แล้วก็แปลปภาษาอังกฤษสานันก็ติดไว้ในห้องนอนฮะเราไปก็ น, นอนแล้วก็เห็นเลยนะศัพท์นี้ภาษานี้แปลว่าอย่างนี้แปลกันคือในห้องนอนของเราให้มีติดไว้หมดเลยเอากระดาษติดติดติดติดไว้ ภาษาอังกฤษสับไหนที่มัน ย, กยากๆพอเราเข้าไปแล้วก็ไปอ่านแล้วก็ท่องดูต่อไปท่านนี้มันเคยชินกับภาษามันเคยชินกับตัวหนังสือนะั่นะท่านเราเห็นที่ไหน เ, เราก็พูดได้ภาษาอังกฤษนี่นะเขาบอกกับหลวงพ่อบอกว่าให้ท่านท่องให้ขึ้นใจเพียงสองร้อยคำสองร้อยคำเท่านั้นแะให้จาให้แม่ และตอนนี้ท่านจะพูดภาษาอังกฤษได้เพราะเหตุใดเพราะว่าพอรู้จักว่าช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไก่ไกตัวผู้ไก่ตัวเมียต้นไม้ภูเขาลำทานอาหารข้าวเหนียวข้าวเจ้าเคอเราให้รู้จักสับสองร้สั บ, ส บ, ส บ, ส บ, สบพอร้อยสับี้เวลาเราจะพูด เราพูดกับผู้ใหญ่แล้วว่าไงเราพูดกับผู้หญิงว่ายังไงพูดชายก็ว่าไงเราตั้งศัพท์ให้ได้เสร็จนีน่มันก็ประสมประสานผสมประสานมันก็พูดได้ทั้งหมดแล้วก็เนี่ยที่เราที่หลวงพ่อหลวงตาพูดว่าให้มีภาษาอังกฤษติดไว้ในห้องตัวเองเนี่ยอติดกระดาษพูดสแกปติดไว้ถ้าตัวเองตัวจำได้หมดแล้วตัวนั้นชีงออกเอาตัวอื่นติดเอก็กนี่แหละ อันนี้ก็คือเรียนภาษาภาษาโดยที่ใช้ใช้แนวความคิดเพื่อช่วยความจำของเราหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์นะลูกหลานไปทดลองดูนะทรัพนี้เขาได้ด็อกเตอร์มาหลายคนเลยด็อกเตอร์คนหนึ่งเขาบอกว่าผมเรียนหนังสือไม่เก่งครับแต่ว่าผมใช้เนียใช้อย่างนี้ ac เขียเขียนเขียน ศับไหนัไหนภาษาอังกฤษติดๆไว้ในห้องพอเราจะนอนเราก็ตื่นเอ๊ะวันนี้สับไหนที่เราเที่จำไม่ไม่ได้ชัดหรือใช้ภาษายัางไงคำนี้เราก็อ่านอ่านดเูเสร็จแล้วเราก็มันก็จำได้เองเอผมไปเรียนถึงเป็นด็อกเตอร์จบมาจากอเมริกาเลยนี่แหละวิธีการเบื้องต้นที่ผมเรียนภาษาอังกฤษ หลวงพ่อฟังฟังแล้วหลวงพ่อก็ได้นาแนวความคิดของท่านนั้น่ะมาบอกกล่าวให้ลูกให้หลานได้ศึกษาหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะพ่อหลวงพ่อเองสับไหนที่หลวงพ่ออ่านในบาลีใช่สับบาลีที่มันพูดยากๆเนี่ยแปลว่ า, ายังไงเนี่ยหลวงพ่อจะเขียนเสีกระดาษติดในย่ามไปด้วยติดที่เรามองเห็นได้ง่ายๆพอ น, นั้นเราก็เอามาแล้วก็ดู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 แต่ตาไม่จริงหลวงพ่อมาถึงจุดนี้หลวงพ่อก็นึกเสียดายเหมือนกันนะลูกหลานนะนึกเสียดายสมัยสมัยก่อนหนะลวงตาเนี่ยไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดวัดป่าบ้านตาดวัดหลวงตามหาบัวเนะี่ยจะได้มีพระฝรั่งเข้ามาเยอะสมัยนั้นอนะสมัยสอง2ันหอยิบสอสิบสามท่นี้พระฝรังพระฝรัง่งเออเขามาเขาก็ไม่รู้ภาษาไทยเหมือนกันแต่เราก็ไม่ช่วไม่รู้ภาษา อังกฤษเหมอนกันแต่ทีเขาก็มาเรียนมาเรียนภาษาไทยกับเราใช่เราก็สอนให้เขาว่าศัพท์นี่ว่าอย่างไงเขาก็จดเขาก็เรียนแต่หลวงพ่อที่แร ก, กเรียนเหมือนกันนะทําท่าจะเรียนมันทําท่าจะเรียนเรียนกับเขากับป้าฝรั่งโดยมากฝรั่งแก่ๆเนี่ยอายุมากๆสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยภาษาท่านไม่กระดิกเลยเนี่ยท่านมาเรียนภาษาไทยเนี่ย อันนี้แะอันนี้เราก็พยายามสอนให้เขาบอกภาษาไทยให้เขาเราก็พร้อมกันเราก็เรียนจากภาษาเขาอีกซะศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไงนี่เขาก็ออกเสียงให้ฟังเราก็พยายามออกเสียงกับเขาเหมือนกันพอต่อมาทท่เนี่ยพอเรามาศึกษาศึกษาธรรมะด้วยศึกษาภาษาอังกฤษด้วยทเนี่ยในใจของหลวงพ่อก็เลยต่อต้านขึ้นมาเฮ้ย เรามาเราไม่ได้มาเรียนภาษานี่วะเรามาเรียนธรรมะเรามาภาวนาปฏิบัตเิเราจะมายุ่งกับภาษาทำไมวะจากนั้นก็เลยตัดทิ้งเล ย, เลยไม่เรียนภาษาเรียนอยู่กับพูดๆประปะประปายไ ป, ไปอย่างนั้นะกับฝรังร่งเพราฝรั่งตั้งหกเจ็ดแปดองค์ในวัดใช่ไหมล่ะภาษาไทยก็มี 5-6 ห้าหองท่านเองนะแต่หลวงพ่อจะเรียนโอ้หลวงพ่อมีโอกาสที่จะเรียนพูดได ที่เดียวเลยงหมนนะแต่มาคิดเดี่ยวี่นึกมาถึงชุมชนสังคมได้คบค้าสมาคมกับาาศรัทธาญาติโยมหลายระดับไม่รุ้ประเทศไหนตัอประเทศไหนเข้ามาวัดหลวงพ่อเมื่อไม่นานมานี่เลเอออินโดนีเซียเข้ามาหลายคนพระฝรั่งโยงฝรั่งต่างประเทศก็อังกฤษที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเขามาเป็นี่สสิคน หลวงพ่อพูดภาษาไม่ได้ใช่ไก็ต้องอาศัยคนอื่นเป็นล่ามให้หลวงพ่อเออถ้าเราได้ภาษาแต่ขาวนู้นก่อนหน้าจะดีมันกันนาน่านะกันนึกเสียดายนะแต่ก็ไม่เป็นไงมันผ่านไปแล้วนะจบไปแล้วละ่ะเพราะเราก็มุ่งเน้นเรื่องเรื่องภาวนาเรื่องปฏิบัติเรื่องศึกษาเรื่องธรรมะจากองค์หลวงตามหาบัวนะเราจะมามัวเมียเรียนภาษาอยู่ก็ยังไงยังไงทําให้เนินช้า เพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยลงตาก็เลยไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษนี่แหละพูดให้ลูกหลานได้ฟังเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายเนะจากนั้นใ ห, ให้เป็นคนดีนะลูกหลานเนอะให้เคารพในผู้มีพระคุณทั้งหลายมีพระคุณทั้งหลายก็คืออะไรในหลักของพุทธศาสนาเนะี่ยในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่ามารดาบิดา เป็นบุพกาาจาร์เป็นอาจารย์คนแรกพวกเราคิดดูสิว่าเราเกิดมาแต่เป็นเด็กนะใครสอนเราก่อนพ่อแม่สอนเราก่อนนะกินนะข้าวอย่างนี้กินน้ำเหมือนนี้นอนอย่างนี้นะเออลูกร้องไห้กับพ่อแม่ก็ต้องดูนี่นี่แหละพ่อแม่เนี่ยเป็นอาจารย์คนแรกเรียกว่าเป็นบุ พ, าาบพาการี บุคคลผู้มีอุปกรณ์ลูกพวกเราเป็นลูกของท่านเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศุลปราพฤชตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเมื่อพ่อแม่ล่วงลับตายไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้อันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนให้ลูกหลานฟังฟังเอาไว้นะ อันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนท่านไม่ลืมหลบหลู่บุญคุณของพ่อแม่แล้วก็ท่านวัดทิศเบื้องหน้าคือพ่อแม่ทิศเบื้องหลังสามีภรรยา เ, เมื่อเราแต่งงานมีสามีภรรยาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันให้รักกันเมตตากันอย่าไปล่วงล้ากันอย่าไปนอกใจสามีอย่าไปนอกใจภรรยาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน อันนี้ก็คือทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์เมื่อพ่อแม่ส่งเข้ามาเรียนหนังสือก็นี่ะครูบาอาจารย์เนี่ยทั้งท่านผ อ, อทั้งรองผ อ, อครูบาอาจารย์แต่ละวิชาอาชีพทั้งก็สอนประวีาาตประสาทความรู้ให้กับเราถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราคิดดูสิเราจะฉลาดไหมเราจะรู้เรื่องภาษาไหมเราจะรู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีไหมไม่มี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 มิตรสหายก็คืออย่างพวกเราลูกหลานทั้งหลายเนี่ยต้องมีหมูมีเพื่อนถ้าคนเก่งคนเดียวเก่งได้ยังไงถ้าเราจะมีการทำมาค้าขายการทำการทำงานเราต้องมีหมูมีเพื่อนมีน้าใจมีกาลยา น, นมิตรที่ดีถ้ามีคนกาลยา น, นมิตรที่ดีมากๆช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนกันคนนั้นจะมีแต่ความเจริญนะลูกหลานเรื่องกัลยา น, นมิตรจาเป็นแต่ว่าปลาปลเม็ดเนี่ย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 เป็นสมภารวัดขึ้นมาเราก็ต้องมีบริวารลูกน้องเราต้องปฏิบัติตนให้ถูกกับลูกน้องต้องช่วยเหลือลูกน้องดูสารถูกสุกดิบของลูกน้องดูการเจ็บไข้ได้ป่วยลูกน้องก็ดูการงานให้ลูกน้องเรื่องปัจจัยสีอะไรทุกอย่างต้องเกื้อกูลหนุนเขาดูแลเขาให้ดีถ้าหาว่าเราไม่ดูแลลูกน้องให้ดีลูกน้องนั่นะจะเป็นพิษเป็นภัย เราจะอยู่ได้อย่างไรพอเหตุอะไรพอลูกน้องไม่ดีเราไม่ได้ให้ความใส่ใจกับลูกน้องนี่นแหละลกน้องบริวารก็จำเป็นสำคัญว่าทิศเบื้องต่ำเบาทิศเบื้องบนสมณะพรามสมณะพรามเนี่ยคืออย่างหลวงตาเนี่ยเป็นสมณะพรามลูกหลานเข้ามาหลวงตาก็บอกเอยลูกหลานนะเน้ออย่างนี้มันดีนะอย่างนี้มันไม่ดีนะอย่างหลวงตาบอกว่าอย่าไปกินเหล้านะลูกหลานเนะ้อ คำพูดที่แรกอย่าไปติดยาเสพติดนั่นลูกหลานนะเน้อแล้วก็ให้เรียนภาษาเน้ออีกไม่กี่วันข้างหน้าประชาคมอาเซียนจะเข้ามาหาประเทศเราแล้วนะให้ลูกหลานตั้งใจเรียนหนังสือนะเน้นภาษาอังกฤษนั่นลูกหลานเนะ้อนี่แหละคือสัมมนาผ่ามอย่างหลวงตาจะแนะทําสั่งสอนลูกหลานจากนั้นก็ให้เคารพในทิศทั้งหนั่นลูกหลานเนะ้อททิศทั้งหกนะี่ทิศเมืองหน้า มารดาบิดาทิศทิศที่หนึ่งะทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศที่สองทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ก็ทิศเบื้องสามทิศเบื้องซ้ายหมู่มิตรสหายหมู่เพื่อนทิศเบื้องสี่ทิศเบื้องหน้าลูกน้องบริวารคนรับใช้คนงานอันนี้คือทิศเบื้องห้าทิศเบื้องหก็คือสมณะพรามณ์ฮสมณะพรามณ์ก็อย่างหลวงตาเนี่ย แนะนำบอกกลา่าวลูกหลานให้เป็นคนดีนะลูกหลานหนะ้าอย่าเป็นคนที่มันไม่ดีปฏิบัติตนอย่างนี้อย่างนี้นี่อย่าไปเล่นเกมมากอย่าไปติดเกมแต่ก็ให้เล่นบ้างแต่อย่าไให้จะ ใ, ให้ถึงกับติดทำให้คนวิธามวิถีอาชีพจะ่งอื่นเสียหายใ ห, ให้ดูนะลูกหลานหนะ้านี่แหละคือสัมมาณพราหมณ์อย่างลงตาเนี่ย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 ถ้าเราเขาเราเราไปคบคนกินเหล้าเอี่ยใหม่ใหม่ไอ้นี่นกินเหล้าวะ่ะไม่ชอบอ่อแอเมาพอคบไปคบมาเอ๊ะมันกินเหล้า ม, าามันก็ดีเหมือนกันนะวะลองลองกินกับมันบ้างสิเอาไปเลยไปกิจไปกินกับมันเต็ดแบบมันอีกเลยพอไปคบปลนคนเล่นการพนันเลยไอใหม่เขาไอ้อไนี่ตายจิบหายเล่นการพนันเล่นโบกเล่นเบี้ยเล่นบัตรเล่นเบอร์ ต่อไปก็ไปเล่นกับมันเอกมโอ้มได้มาเว้ยได้มาแบบง่ายๆวะ่ะเอาไปมาเลยติดการพนันกับมันอเอกถองถ้าหาว่าเป็นนักเลงหัวไม้ไปหาป้นหาจี้คดโกงเขาถึงต้นไปกันต่อไปกับเราก็เป็นคดโกงเป็นนักเลงหัวไม้ไปป้นไปคดไปโกงเขาต่อหน้าต่อตาเขาได้เพราะเห็นไรเพราะว่าเราไปคบกับคนที่ ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าครบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละคล้ายว่าเหมือนกับคนนั้นแหละถ้าเราครบเปน็นปนานๆเพราะในลูกหลานให้ฟังเอาไว้นะแต่ในท่านก็เลยยกเป็นชาดกขึ้นมาสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เนี่ยมันเป็นชาดกนมาในพระไตรปิฎกใ น, นลูกหลานสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทรับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านปารอเรื่องภิกษุการครบค้าสมาคมของภิกสุ ขนาดพิฆสูท่านก็ยังให้เลือกครบนะ่ท่านอยากให้เลือกครบแบบพิกสูองค์นี้ดีองค์นี้ไม่ดีท่านยังให้เลือกครบอีกต่างหากค่ะให้ครบคนดีสรุปแล้ว อ, องหนึ่งไปครบพวกกลุ่มของพระเทวทัตเนี่ยท่านบอกคบคนใดก็เป็นเช่นคนนั้นแหละนั้มีมาแล้วในอดีตการพระพุธองค์บอกพูดเพียงแค่นั้นแล้ว ก, ก็จบพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยกราบทูลบอกพุทธเจ้า ว, ว่า สมัยไหนพระพุทธเจ้าข้าจะบอกครบคนใดเป็นเช่นคนนั้นและนะอยากจะฟังเหรอพระเจ้าข้านะเพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งกรุงพาราณสีกรุงพาราณสีคือพระเจ้าแผ่นดินยุคสมัยนั้นเขาจะต้องเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าเป็นพาหนะเพื่อจะเล่าเข้าสู่ศึกสงครามอศึกสงครามมันต้องได้ใช้มา้าม้าก็ม้าเร็วนี่ไหมช้างก็เป็น ขุนศึกที่เข้าไปหัดประหารกันเหมือนกับพระนเรศวรอย่างนั้นแหละแต่เนก็เขาก็เลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าแต่ม้าพระราชานี่็เป็นม้าที่เลือกคัดสรรอย่างดีที่สุดรอบรู้ฉลาดตัวยหอยฝีมือฝีเท้าเกง่งอย่างนี้นแหละเขาเ็าเลือกขันไว้เป็นม้าพระราชาเป็นม้าส่งของพระราชาเนี่ยแต่ เ, าาเ้เขาก็ เอาคนเอาคนเลี้ยงม้าอีกเฮที่ใส่ใจเลี้ยงมา้าดูแลมา้าใคราว่าเป็นจิตสัตวแพทย์ในตัวอย่างนั่นหละดูแลม้าให้ดีที่สดุดแต่เน่ก็คนคนนั้นก็ดูแลม้าของปราชาต่อมาเนะ่ยเขาไม่สบายเขาก็เลยลาออกมาเนี่ยพอเห็นลาออกตเนี่ยเขาก็เลยเขาว่าใครจะเป็นคนเลี้ยงม้าอีกต่อไปเขาก็เลยานายนี้แหละ เป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นดูแลเกี่ยวกับรู้จักเรื่องเรื่องของม้าด้วยลักษณะเป็นสัตวแพทย์ด้วยลักษณะอย่างนั้นแ่ะแต่อันี้บุคลิกไม่ดีบุคลิกไม่ดีคือเป็นคนค้าเป๋หันไปอันนี้เป็นคนขาเป๋คนที่สองนี่ยต่อมาเนี่ก็เวลาจะเดินจะเดินเอาม้าออกไปกินหญ้าใช่ไหมมันก็เดินนาหน้าม้าใช่ไหม มันก็แผลก็แผกแหลกไปเลยอย่างเงี้ขาเป๋ใช่ไหมคนขาเป๋เดินเนีย่ยเออเวลาจะเอาไปกินหญ้าเอาไปกินน้ําเอาไปอาบน้ําเดินนาหน้ามา้าใช่ไหมก็ขาเป๋แผลแหลกแผลแหลกไปนั้นต่อไปม้าตอนนี้มันก็คิดว่าเอ้เจ้านายของเราเน่ะคงอยากจะให้เราเดินอย่างนี้ก็มั้งเนี่ม้าตอนนั้นก็เลยเดินต่อไปประมาม้าก็ได้ทําเดินไปแผลก็แผลเหมือนกันทนี่เออ เหมือนกับเหมือนกับไอ้ได้เลี้ยงของมันว่นาือนกันใช่ะทีนี้ก็ม้าจะเดินสามขาแพกแหลกแพรกแหลกเห่าม้าพระราชาเดินอย่างนี้มันได้ยังไงใช่ไหยล่ะเออม้าส่งของราาพราชาพระราชาเอา้าม้าของเราทําไมมันเดินอย่างนี้วะเดินสามขาแพรกแหลกแพกแหลกหนึ่งนีๆจากนั้นก็เอาจัตแพทย์มาตัวจ เอาศ า, า, าสาจายเอาศาสตราจารย์ศาสตรัตตแพทย์มามาก็มาตรวจมาดึงขามาจับเขามาตีดมาดูเล็บมาดูอะไรก็ไม่มีอะไรผิดปกติมันก็อย่างเก่าหมดทีนี้นก็มันจะควรจะเป็นจิตแพทย์มั้งเอาเอาจิตแพทย์มาสวมสัตตแพทย์มานั่งดูพอมานั่งดูทีนี้พระเจ้าแผ่นดินท่านมีโ ป, ปโลหิตตาจาร์ โรหิตราจารนคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับองค์ข้ามนตรีทุกวันนี่แหละาเปรียบเทียบนะเป็นโปรหิตอาจารย์เป็นอาจารย์ของพระราชาใครใครพระราชามีเรื่องเล่าอะไรเกิดขึ้น่โปรหิตรายจาย์จะเป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกกล่าวเป็นผู้ให้ความคิดแนะนําเป็นผู้รอบรู้ะขันธมหาผู้ที่มีความรู้นะ่ะมาทีเป็นที่ปรึกษาเท่นี้ท่านก็ เอาเปโลหิตตายจาร์มาหลายหลายท่านมาก็ไอ้ม้าของเราเนี่ยทำไมเ น, นี่ยผมมาเป็นม้าปร า, าชาใช่ไหมพระม้าเข้าศึกสงครามเ่ยจะไปเดินขล erect เขลา e r e c ยังได้ยัง ไ, ไงไใช่ไหมเออตอนี้เปโลหิตตายจาร์ก็มานั่งดูสังเกตสังเกตสังกาต่างคนก็ต่างสังเกตใครเราแต่ในเปโลหิตตายจาร์คนหนึ่งท่านฉลาดท่านบอกเอ๊ะกับผมขอ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 เพราะนั้นเราจะเอาคนที่ขาเปนะ๋มาเลี้ยงอย่างนี้เนะี่ยมันก็ต้องเรียนแบบคนขาเป๋เพราะนั้นขอให้พระ อ, องค์เอาคนที่รูปร่างส ง, งาผ่าเผยอ ง, งอาจ เ, เดินแบบผายผึ่งผายอ ง, งอจมาดูแลชาชาหมาตัวนี้ทดลองดูสิสักเดือนหนึ่งพระราชาเอออ่ใชัยอนุมัติตบแต่นั่นก็เอา บุรุษที่ว่าเน่ยเดินองค์อาจกล้าหาญแบบสามารถเหมือนั้นแต่พาไปม้าตัว น, นั้นไปกินหญ้ากินน้ําอพอม้าตอนนั้นเห็นโรคเพ่มันเดินสามารถมันก็เดินสามารถตามใช่ไหมอลไรทีนี้ม้าตอนนั้นก็เลยหายจากขาเขาเพกนี่แหละเอาจากนั้นก็เลยตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็เลยให้ คนนั้นดูแลม้าต่อไปนั่นนะเพราะพรุทธเจ้าใช่ว่านะภิกษุทั้งหลายการครบค้าสมาคมกับผู้ใดกับใครก็ตามถ้าคบกับคนใดจะเป็นเช่นคนนั้นแลหละนี่แหละให้ฟังไว้นะลูกหลานนะขนาดม้า ก, ก็ยังคบกับคนค้าเพกยังค้าเพกไปตามใช่ไหม เ, เพราะนั้น ล, ลูกหลานเวลาจะคบค้าสมาคมกับใครต้องรู้ซะก่อนนะ กาครคบกับคนไม่ดีลูกหลานจะจะกลายเป็นคนไม่ดีไปด้วยนะกาครควบกับคนดีลูกหลานจะเป็นคนดีนะวันนั้นลูกหลานนะเลือกครบนะลูกหลานนะเนอการพูดการกล่าวในะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลานะั้นแลลูกหลานนะเดี๋ยวลงตาจะให้พรเพื่อเป็นสิริเป็นมงคล น, นะลูกหลานเนะ้อ